ตามานุปัสนาสติปัฏฐานหมวดนิวรณ์1้ภิกษุทั้งหลายภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่อย่างไรคือภิกษุในธรรมวินายนี้พิจารณาเห <Pues enfim. S 2> ็นธรรมในธรรมทั้งหลายคือนิวรณห้าประการอยู่ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคือนิวรณห้าประการอยู่อย่างไร คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เมื่อกามฉันทะภายในมีอยู่ก็รู้ชัดว่ากามฉันทะภายในของเรามีอยู่หรือเมื่อกามฉันทะภายในไม่มีก็รู้ว่ากามฉันทะภายในของเราไม่มีการเกิดแห่งกามฉันทะที่ยังไม่เกิดขึ้นมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้น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 3. เมื่อถินมิทธะภายในมีอยู่ก็รู้ชัดว่าถินมิทธะภายในของเรามีอยู you, you, Normally, way, ่เม like э so, ื่อถินมิทธะภายในไม่มีก็รู้ชัดว่าถินมิทธะภายในของเราไม่มีการเกิดขึ้นแห่งถินมิทธะที่ยังไม่เกิดขึ้นมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นการละถินมิทธะที่เกิดขึ้นแล้วมีได้ด้วยเหตุใด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 ก็รู้ชัดว่าอุทจักกุกกุจจะภายในของเราไม่มีการเกิดขึ้นแห่งอุทจักกุกกุจจะที่ยังไม่เกิดขึ้นมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นการละอุทจักกุกกุจจะที่เกิดขึ้นแล้วมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นและอุทจักกุกกุจจะที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปอีกด้วยเหตุใด ก็รู้ชัดเหตุนั้น 5. เมื่อมีวิจิตริชาภายในมีอยู่ก็รู้ชัดว่าวิจิตริชาภายในของเรามีอยู่หรือเมื่อวิจิตริชาภายในไม่มีก็รู้ชัดว่าวิจิตริชาภายในของเราไม่มีการเกิดขึ้นแห่งวิจิตริชาที่ยังไม่เกิดขึ้นมีได้ด้วยเหตุใด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 อย่างนี้แหลหมวดนิวรจบหมวดขันร้16ภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิษุิพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคืออุปทานขันห้าประการอยู่พิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย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 ภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษ nah you ุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคืออายตนะภายใน6ประการและอายตนะภายนอก6ประการอยู่ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคืออายตนะภายใน6ประการและอายตนะภายนอก6ประการอยู่อย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่ง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 สังโยชน์ที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปอีกมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้น 2. รู้ชัดหูรู้ชัดเสียง 3. รู้ชัดจมูกรู้ชัดกลิ่น 4. รู้ชัดลิ้นรู้ชัดรส 5. ้ารู้ชัดกายรู้ชัดโผฏฐัพพะ 6. ก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 หมวดโพชชงร้อยสิบแปดิุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคือโพชชงเจ็ดประการอยู่ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคือโพชชงเจ็ดประการอยู่อย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. นเมื่อสติสัมโพดชงภายในมีอยู่ ก็รู้ชัดว่าสติสัมโพชฌงภายในของเรามีอยู่หรือเมื่อสติสัมโพชฌงภายในไม่มีก็รู้ชัดว่าสติสัมโพชฌงภายในของเราไม่มีความเกิดขึ้นแห่งสติสัมโพชฌงที่ยังไม่เกิดขึ้นมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นและความเจริญบริบูรณ์แห่งสติสัมโพชฌงที่เกิดขึ้นแล้ว มีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้น 2. เมื่อธรรมวิจยะสัมโพธชงภายในมีอยู่ 3. เมื่อวิริยะสัมโพธชงภายในมีอยู่ 4. เมื่อปิติสัมโพธชงภายในมีอยู่ 5. เมื่อปัสติสัมโพธชงภายในมีอยู่ 6. เมื่อสมาธิสัมโพชฌงภายในมีอยู่7อุเบกขาสัมโพชฌงภายในมีอยู่ก็รู้ชัดว่าอุเบกขาสัมโพชฌงภายในของเรามีอยู่หรือเมื่ออุเบกขาสัมโพชฌงภายในไม่มีก็รู้ชัดว่าอุเบกขาสัมโพชฌงภายในของเราไม่มี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 มวดสัจจาร19ภิกษุทั้งหลายเอกประการหนึ่งภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคืออริยสัจสี่อยู่ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคืออริยสัจสี่อยู่อย่างไร คือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งรู้ชัดตามความเป็นจริงว่าน้ทุกข์ 2. รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านิทุกขะสมุทยัย 3. รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านิทุกขะเนโรธ 4. รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านิทุกขะเนโรทคามินีปฏิปทา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 ของเหล่าสัตว์นั้นนี้นนเรียกว่าชาติ122ชาราเป็นอย่างไรคือความแก่ความคล้าคร้าความมีฟันหลุดความมีผมงอกความมีหนังเหี่ยวย่นความเสื่อมอายุความแก่งงอมแห่งอินทรีย์ในหมู่สัตว์นั้นๆของเหล่าสัตว์นั้นๆนี้นนนเรียกว่าชารา ร้อมรณะเป็นอย่างไรคือความจุติความเคลื่อนไปความทําลายไปความหายไปความตายกล่าวคือมริตยูการทํากาละความแตกแห่งขันความทอดทิ้งร่างกายความขาดศูนแห่งชีวิตตินสีของเหล่าสัตว์นั้นๆจากหมู่สัตว์นั้นๆ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 ร้ 125. ปริเทวะเป็นอย่างไรคือความร้องไห้ความคล่ำครวญกิริยาที่ร้องไห้กริยาที่คล่ำครวญภาวะที่ร้องไห้ภาวะที่คล่ำครวญของผู้ประกอบด้วยความเสื่อมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือผู้ที่ถูกเหตุแห่งทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งกระทบนี้เรียกว่าปริเทวะร้ยห เป็นอย่างไรคือความทุกข์ทางกายความไม่สำราญทางกายความเสวยอารมณ์ที่ไม่สำราญเป็นทุกข์อันเกิดแต่กายสัมผัสนี้เรียกว่าทุกข์ร้อยยมนะเป็นอย่างไรคือความทุกข์ทางใจความไม่สำราญทางใจความเสวยอารมณ์ที่ไม่สำราญเป็นทุกข์ อันเกิดแต่มโนสัมผัสนี้เรียกว่าโทมนนต 128. อยสิบแอุปายาตเป็นอย่างไรคือความแค้นความคับแค้นภาวะที่แค้นภาวะที่คับแค้นของผู้ที่ประกอบด้วยความเสื่อมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือผู้ที่ถูกเหตุแห่งทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งกระทบนี้เรียกว่าอุปายาต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 ปรารถนาความเกื้อกูลปรารถนาความผาสุกปรารถนาความเกษมจากโยคะของเขาเช่นมารดาบิดาพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวมิตรอัมมาตหรือญาติสาโลหิตนี้เรียกว่าการพลัดพรากจากอารมณ์อันเป็นที่รักเป็นทุกข์1้อยสเอ็ด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 ลาวสัตว์ผู้มีความแก่เป็นธรรมดาเกิดความปรารถนาขึ้นอย่างนี้ว่าฉชนไหนหนอขอเราอย่าได้มีความแก่เป็นธรรมดาหรือขอความแก่อย่าได้มาถึงเราเลยข้อ น, นี้ไม่พึงสำเร็จได้ตามความปรารถนานี้เรียกว่าการไม่ได้สิ่งที่ต้องการเป็นทุก่าวสัตว์ผู้มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา ลาสัตว์ผู้มีความตายเป็นธรรมดาลาวสัตว์ผู้มีความเศร้าโศกความพิไรรำพันความทุกข์ความโทมนัสและความขับแค้นเป็นธรรมดาตางก็เกิดความปรารถนาขึ้นอย่างนี้ว่าชไหนหนอขอเราอย่าได้เป็นผู้มีความเศร้าโศกความพิไรรำพันความทุกข์ความโทมนัส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 ร้อว่าโดยย่ออุปทานขันห้าประการเป็นทุกข์เป็นอย่างไรคือรูปูปทานขันอุปทานขันคือรูปเวทนาอุปทานขันอุปทานขันคือเวทนาสัญญาอุปทานขันอุปทานขันคือสัญญาสังคารูปอุปทานขันอุปทานขันคือสังขาร และวิญญาณอุปทานขันอุปทานขันคือวิญญาณเหล่านี้เรียกว่าว่าโดยย่ออุปทานขันห้าประการเป็นทุกนี้เรียกว่าทุกขะอริยสัจสมุททยาสัจนะนิเทศร้อยสิทุกขสมุททยะอริยสัจ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 ตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่ปิยารูปสาตรูปนี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่ปิยารูปสาตรูปนี้ก็อะไรเป็นปิยารูปสาตรูปในโลกคือจักขุเป็นปิยารูปสาตรรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่จักขุนี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่จักขุนี้โซตะเป็นปิยารูปสาตารูปในโลก ้านะเป็นปิยรูปสาตารูปในโลกชิวหาเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกกายเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกมโนเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกปัญหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่มโนนี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่มโนนี้รูปเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกเสียง เป็นปียรูปสาตรูปในโลกกลิ่นเป็นปียะ ร, ร, ร, รูปสาตรูปในโลกรสเป็นปียะรูปสาตรูปในโลกโพธพะเป็นปียรูปสาตรูปในโลกธรรมลมเป็นปียะรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่ธรรมณ์น up ี้เมื Bone> ่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่ธรรมณมนี้ ักคูวิญญาณเป็นปิยารูปสาตรูปในโลกโซตาวิญญาณเป็นปิยารูปสาตรูปในโลกคาณนวิญญาณเป็นปิยารูปสาตรูปในโลกชิวหาวิญญาณเป็นปิยารูปสาตรูปในโลกกายวิญญาณเป็นปิยารูปสาตรูปในโลกมโนวิญญาณเป็นปิยารูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่มโนวิญญาณนี้ เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่มโนวิญญาณนี้จะคูสัมผัสเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกโซตสัมผัสเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกคานะสัมผัสเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกชิวหาสัมผัสเป็นปิย่รูปสาตารูปในโลกกายสัมผัสเป็นปิแยรูปสาตรูปในโลกมโนสัมผัสเป็นปีแย่รูปสาธารูปในโลก ปัญหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่มโนสัมผัสนี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่มโนสัมผัสนี้